มันเป็นข้องสงเหมือน้เงื่นโดยยถาสางปัญหากับพระกรรเนียนะเหรอเออกงื่อนทศตัวขอโมี่เงื่อนทศตัพระโมี่เนียเงื่นทนตัวของโบมี่แต่เงื่อนทศตัวแท้ก็ยังเป็นของสงออสนหเงืนทศตัวบาทนึงก็ต้องเป็นข้องสงสตางค์นึงก็ต้องเป็นข้องสง คน ท, ทั้งหลมันบ่กขงจักคือสืออกเพื่อนเขาหนอมที่ว่าโหซาพระป่วยนะเนตป่วยนะ น, น, นั้นก็เป็นข้อสงสัยโดยกลุ่มแล้วนะมุ่นเ น, นี่ยเือตำองรวกันต้องไปหพื่อเราให้โาได้เพิ่งไปอ๋อกรรมยานุ่นแล้วเราไปในวอดจาทั้งสิ้วายอรเราไหเขาก็ซื้อ ก็รสรว า, ายไทยอนไหวสาโตัี่ตัวพวกาอกกปั้ยังอยู่อีกนนึงว่าเงนเพาสื่ออีกวัวสโอ้ความตายมาถึงแล้วไม่มีใครจะไทถอนควตายในตัเวดมดตัวซับตสักกาเชตรงท่านีนวาวเความตายมาถึงแล้วไม่มีใครจะ่ายถอน ความตายเน่ยก็เวทตนึงด้วยจับแต่ว่าเดี๋ยวข้อข้อไกมันตางเห็ดไรอีคือคนเขามัมนว่ักไก่อ่อยู่ยซื้อเที่ยนัเน็ตเถอะมันเขนะาตายมันก็เสียในสุวิตมั น, นอยไม่หุนโยของทุนก็เสียแรงกเสีย ตัวที่แรกมันแพงโคตรแล้วมันแปดพั น, น, 8, นตัวรุ่นทีพวกแพงตัวนึงเขาไปบอกกันนะอะไดบุหล่าของโม ง, งยังของเดียร์แล้วก็ไทด์บห่เงินเมลูนี่ยังไรายไรผ่าแสนชีม นั่นเราต่อเอามาใชสรันเหมือนเนี่ยอือประเทศเนียอื่นมหมดเลเราไปทนนอร์ก็รอดแล้วส่วนทางน้ำออกอเราปเะเทไไะะบุีได้ก็คอเข้าใจบ่มันเป็นเรื่องตึงตระง่าะเทศฟุตบาทเนี่ยมันเหมือนเข้าใจว่าประฟุต บ, บาทที่ปุนมนม่น่เน โรงพยาบาลที่ไห น, น, หนทีคอนแกนหรือนแโอ้มันจะไม่หนักหรือเราไปผมพิจารณาแล้วว่าในระหว่างรูปอาการเดี๋ยวผมไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะว่าอยู่ไปนในระทับไหนนี้ไปประหม่าเกิดความประหม่าเปล่าครับแล้วให้มันเป็นวันใหม่ใช่ก่อนครับก็หมายความว่วเป็นวันรุ่มๆอืม ที่ไปเราจะเอารถขันี้ไปก็มีรถของเราอยู่แล้วครับรสีขาวมันจะถึงไหัสีขาวถึงงเราว่าไปเลปเียงบ้านสมาย ร, รสีขาวเขาออกมาแล้วแต่ผมม า, มาหลายมือท่านแตลนจะ ม, กมุกพดทที่ไครับ ที่ผมเช็คดูแลวว่าหัใจบังคัดงกาทำ ง, งานนี่างเดี๋ยวล้มเดี๋ยวเดี๋ยวยืนอยู่ยยครับผู้ับถ้าหนึ่งก็ไม่อยากไปเข้าไปรบกวนเขาเขาคงจนมุมแล้วเหมือนกัน ะว่นี่เราไปนะนักศึกาเราแต่ว่าโรคหัวใจกำเริบหรืออะไรก็บอกว่าเป็นในลักษณะที่มีอาการเหมือนทั้งอดีตที่ผ่านมาคืเ็บหน้าอกระหายใจในกระดูกตับตยนระาอะไรอ่งนีใส่อันนี้ก็ยังเก็บอยู่นะรับผเบ ว่าคำคำคำดูอย่างนี้เป็นเกีบยบยงนิมันข้ามมื อ, อที่เก็บเลเขาโทรไปสี่ปอดไตอะปอดไตไม่เก็บปอดไตหมายถึงว่าท่านเป็น ได้อาลุนแล้วแั้นไม่น่าไปจะไปเพื่อที่เช็ดขื่นหัวใจไม่เช็ดคืนหัวใจต้อเต็มสรองเนี้ต้องใส่ขืนตรว้ดเจาะไปช่วนีิทีกษ์เขางักศึกษาปัญหาอีกแล้วนี่กระดไปรถขันหนีมันกับพอประหกค้อนแกนอยู่ ท่านจะไปเอารถน้ำซอไม้อีกกับไปแจ้งเงกับเขาอีกแล้วแตี่แ้งซสบวก่าจะบวกรวัดรถได้ไหมหราเปลี่ยนเอารถเขาสังคือเข้ามาสนุกด้วถือเอาไม่เองนะครับออกไปเรื so, um, ่องเข้าประวัติหน้ากับปเด็นของเขา ฟังไปอีกสักอนเพียงเราฟังไปอีกสักกอนเพียงมัก็จะฟังไปถึงจนลูกผลถ้าถ้าหากว่าเรามันหายแล้วถ้าเขาไปตรวจ ด, ดูมันไม่เห็นอะไรมันก่อเสียมันก็เรามันก็เสียเหมือนกันนะการูกรันี้ผมพิจารณานะครับอืมที่ผมตาบเรียนการปูกไปนะนเป็นประเด็นที่ว่าไม่มีทางมีที่จะเลือกแล้วการปูกครับขร ถึงเช้าเราสอบดูอีกซะก่อน<ฆ>ถ้ามันแข็งแรงอยู่เราก็ไม่เข้าไปถูกไหม<ฆ>ถ้าไปถ้าเขาไปตรวจว่ามันไม่สมเหตุสมผลเพราะที่จะมาอย่างนี้มันก็เสียหน้าเรา<ฆ><ฆ>ถูกไหมเข้าไปตรวจ ด, ดูแล้วไม่เห็นอะไรมันเป็นแต่เพียงว่ามันไม่สมเหตุสมผลก็เป็นเหตุให้เขาตีเตียนเราครับ<ฆ> ถ้าว่าเราเป็นมากเกินไปมันก็ตายขาคนทางถ้าเราหายแล้วเราก็ปม่ควรไปเพราะยั ง, งังเพราะเขามาอยู่แล้วอืคืนเป็นทุกคืนทุกคืนอยู่นี่แต่หมูว่าเห็นเฉยๆแล้ว เ, เ, เป็นทุกคืนทุกนอือือ เอาเงยก็กลัวยุกก็เอาเตอนหลับิ่นนะนวภวกกองผ้าคพือกอนตายตอนี้หลงให้จแา้วันที่เอามาลวเอาท่านับท่านมาท่านไปตอนวีย่คอนโดแม่นี่ <c oughs> วันที่สิบสี่พฤษภาคมพศสอง2ัน้าร้อยสาสิบสองกราบท้านมัสศการหลงูลา่าเทมปัตโต ด้วยเก้ากรุผมนายสมหมายสมทรและครอบครัวมีความศรัทธาอย่างสูงยิ่งใครจะบำรุงศาสนธรรมในบวรพระพุทธศาสนาให้เจริญสื่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดบรรพกคีรีวงเล็กปูเจ้าก้แห่งนี้ดังนั้นเก้ากตุผมจึงของตัวรนาตนเพลงที่จะบำรุงวัดบรรพกิรีปูเจ้ากในด้านปัจจัยสี่บริสารแปด ยานหาหนะหรือสิ่งอื่นๆที่ทางวัดมีความจำเป็นจะใช้สอยตั้งแต่บัด น, นี้เป็นต้นไปเล่ากระผมจึงของความเมตตาจากองค์สู่ท่านได้โปรดมอบหมายให้ว ย, ยาวัจกรหรือพระสงฆ์ภายในวัดแจ้งความจำเป็นที่ทางวัดจะใช้สอยให้เก้ากระผมได้ทราบด้วยเทินเก้า ละม่อมข อ, อกราบเท้าด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งข้าน้อยนายสมหมายสมทรจะทูลนี่หมายวลัวมากันจะไปเอาเอียังน้ํามันวันต่อมาหาเท่าสักคนหนึ่งมาวันจิตตามคนลตางไปได้เลยต้องได้รับอนุญาตเท่าสะกคนหน่แม่หมอวนตามคนต่ า, นนต า, า, ตางจิว่างแผนขึ้นเลยสร้างออกสร้างออกอะไรด้วยต้องได้รับอนุ ญ, ญาตจะเข้าสกักคนหน่ง เขาบอกมีเงินยุ่นแม่นบอกเขาเ็นควนกจังีใส่ว่างเหอเขาเห็นสมควนกับกวติสร้างนี่หรือควเที่ยบอกแม่นบอกมันจะสร้างเขากระตรงมาบอกเข้าสะกอนแม่นบอกเขาบอกเขาถิว่าใช่เข้าพเขาให้เข้ามีอานาจแม่นบอก อืออาามาเขาจะเสอไร้่ า, างย ก, กดดดดได้อะไรแบบันมาซ้อสีสที่ต้องการอืมวอเนใสีสันกักต้องมารับก็าโอกาสเท่าตะกอนขั้หรือพวกขัวน่สีอะไอืมเขาเห็นไม่รับนี่สันนิษเานอืมถันคัดของสั่งจัของสีสังเขาจะเป็นยังไงหมด ตอนเฮาหัวใจสก้นเนี่ยเข้าใจบ่เขาเขายังไม่รักม่วันบอกว่าเขาถิอเชื่อว่าโดยเฮาพอจ้ทราบน้่มรอล่วงหน้าประโดยดบ์ม่งว่ไรนี่แม่นบอ้อืมบเราเฮาป่วยไปนักก่นก็สร้างสร้างรถไม่เฮาก็ไร มันจะตองมะขอนุกางเท่า uh, ก้อนแมนวะอืมม <that 's S 1> <a> ันเป็นเส้นอะเฮาเยงต้ <annoying job> ุกวนกับอะไรเฮ้าม้วนต้กวนกับอะไรกันเนาะอืมมันเป็นตะไคร่อัไรเนี่ยอืมอืมเขาไม่ได้ว่าอะไรวัวอะไรอืมเขามีเงินอยู่ ผลู่จะเห็นดีด้วยหรือไม่เห็นดีก็าตามถ้าใครมีคัดข้อก็บอกา่าเขาไม่ได้อกแค่นี้แม่บอกเนอะจึงพั น, ป น, นเป็นนิพวาข้อี่ไหนอมปู่จมเรื่องนี้ยากตารเดิดจะอเลืนๆแม่ผมมนี่สัอมันก็เป็นเรื่องนึงอ่ะอ๋ออานอีกคัด่อย วันที่14พฤษภาคม2532กราภิมาตรการหลวงปู่ล่าเ็นมาคตโตด้วยเกล้ากระผมไม่สมหมายสมทรั์และครอบครัวมีความศรัทธาอย่างสูงยิ่งให้จะบำรุงศาสนธรรมในบวรพรพุทธศาสนาให้เจริญสืบไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดบรรพตคีรีวงเล็กภูชุกโกแห่งนี้ ดังนั้นเกล้ากับผมจึงขออาราธนาตนเองจึงขอปรวรณนาตนเองที่จะบำรุงวัดบรรพุทคีรีภูโจกในด้านปัจจัยสี่บริขารแปดยานภาหนะหรือสิ่งอื่นๆที่ทางวัดมีความจำเป็นแต่ไซสอ ย, สยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเกล้ากับผมจึงขอความเมตตาจากวงหลวงู่ท่าน ได้โปรดมอบหมายให้วัยยาวะจะัจกรหรือพระสงฆ์ภายในวัดแจ้งความจำเป็นที่ทางวัดจะไส้สอยให้เก้ากระผมได้ทราบด้วยเทินเจ้าประมมมขอกราบเท้าด้วยความเคารพรอย่างสูงยิ่งข้าน้อยนายสมหมายาสมทับข่อกระบุว่าให้หลวงปู่เป็นผู้สร้างันึ่งหน้แจ้งหลวงปู่สี่เป็นสมพวนว่าอื่ส้ง เป็แ น, น่หัววงหนึงออน่งอืเแหัวน่าอยากล้างไว้ก็ไม่ยกไปกวนเขาเีสมายกดางาเขาเป็กิลนี่ยสีนก็ตัดสีนลงเล่นจากค่าสารคับ ข, <อ>ของลูกศิลในการเป็นต้นสมาธิก็ตั้งมั่นลง ไม่ฆ่าสัตไม่รักทัพไม่ประพฤติในกรรมปัญญาเขารับรู้ไม่ฆ่าสัตไม่รักทัพไม่ประพฤติในกรรมก็มีความหมายอะไรกันพิธีกรรมเทพดาเขอยู่ที่แห่งเดียวไัเคยกับหน้าก้มตาเคยเห็นหน้ากันไหมเนี่เคยเห็นอยู่เห็นทางกายทั้งทั้งจมูกด้วยเราไม่ได้กล่าวไปสักเราพูดแต่เฉพาะว่าเคยเห็นหน้าครับโดยเฉพาะเป็นอาสันญาท่านในกรี พุโทโธธรมโมสังโคก็อยู่ด้วยกันแต่ว่าว่าพุทโธเฉยๆอันทีแท้กับําโมโมทังโคก็อยู่ด้วยกันเช่นเราจำหนังอย่างนี้มันก็ถูกเนื้อถูกกระดูกสร้างมั่นในการละช่ ว, ชวทาําดีเรียก ว, ว่าสมาธิ ศีนตัดศีนในในการละชั tails, ่วทำดีปัญญารอบรู้ในการละชั่วทำดีก็ใช่เหมือนกัน ที่เขียบไหมอยู่ในโรงพยาบาลค่ะที่เขียบไหมเป็นอาจารย์อยู่คณะวิทยาศาสตร์ครับเคร์เรุมนวลน้าวิทยาศาสตร์สอนเคมีครับเคมีก็เซนชิวเคมีนึกจักว่าเคมีซือ้อจาระย์เอาคนที่เกษตรนึกจักเวลาหนูพูดกับคนที่เขาไม่ได้อยู่ในทาันี้นะคะเพราะชิว่าเคมีคนเขานึกไม่ออกอะค่ะหนูก็เลยเดี๋ยวทีว <promotions> ่าสอนว่าอาหารสกัดที่เราพิส้่ไป เปลี speak. <sa iden blessing> ่ยนยังไงได้ตัวแล้วงนออกไปีจ้่นี้พอายใเลยว่ะสัตวมา ไม่ช่มันเล่นเลขเนอมันพยายามทํต่างงานในทางที่ชอบเกิดมาสวยหาความดีมีทางวัตถุนิยมเป็นต้นวัตถุนิยมในทางที่หามาได้ในทางที่ชอบวัตถุนิยมเช่นเลขเลขผาผับบัดเบืบบ่อไม่ใช่วัตถุนิยมวัต ถ, ถุชิบหาอยอ่ะ เพราะปรมาสสดาไม่ทรงส่งเสริมเพราะมันเป็นทางคิดผ้ายต่งๆจะใส่ชื่อเรืองนามว่ามันเป็นทางเจริญก็ตามมันก็หาไม่ได้เป็นไม่ไมันไม่ได้เป็นแล้วมีทางคิดภ้ายต่งๆวิดามันดาปุญญาธาทวของเรามีพระคณแก่เรา ดิดามันดาพ่อแม่คุณของพ่อแม่ที่ลงทุนเก็บพวกเราหนึ่งให้าามากระทำความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีสามให้ศึกษาศิลปวิทยาสี่หาภรรยาและสามีที่สวนผลให้ก็ห้าหมอบทรัพย์ภายในศาเน คุณลํบุดุลู ก, ล, กล้านหลานได้รับบํา ร, รุงแก่พิดามันดาแล้วย่อมตอบแทนคุณพ่อองค์ท่านหนึ่งท่านได้เรียกมาแล้วเรียกท่านตอบสองทํากิจประรักของท่านสามดํารงวงจตระกูลสี่ประทุตตนให้เป็นคนควรรับรับหมมรดกห้าเมื่อท่า น, งนลงรับไปแล้วทํบที่ให้ท่าน มาปตาพิตาจาร ม, มานาวิดามานาเป็นพรมของบุตรเขาไม่สูรูปหนึ่งบวชมาแล้วเรื่องวิดามานาได้บิทบาดมาวันไหนเรียนน้อยก็ไม่ฉันอาไ่ให้วิดามานาวันไหนได้มากจึงแบ่งว่าฉันได้ผ้าผ่อนท่อนสบายมาในทางที่ชอบ ก็ไปให้บิดามารดาถ้าเป็นผ้าเหลืองก็ซักให้เป็นผ้าขาวซะสงฆ์ทั้งหลายมาเห็นแล้วก็ยกโทษสูกกาวฟ้องแกพระบรมศาสดาพระบรมศาสดาก็รับฟ้องไว้เออตอนเย็นเราจะตีท่าทางดอก พอถึงตอนเย็นมาเขาตีระฆังส่งมาไปถึงถ้ากรเธอประพฤติอย่างนั้นจริงหรือจริงก็จะพ้าเธอนึกเห็นยังไงเธอจงปฏิบัติอย่างนั้นนึกเห็นว่าองค์ท่านมีข้าวคมากนะแล้วพัดที่จะพัฒนาได้มันดาเมื่อมีท่องมาก็ระวังท่อง เมื่อจะออกข้อเสียงบุญกรรมเมื่อจะข้อบุตรกว่าจะใหญ่โตโหฐานก็ลำบากลำบนมากสารพัดแต่ผมได้เห็นคนขององค์ท่านอย่างนั้นแหละคนของวิดาเข้ามารวกันวิดาเป็นผู้หามาในทางอื่นมารดาเป็นผู้อยู่กับลูกมีพระคุณเท่ากันพระรบรมศาสดามีคุณเป็นอเนกอนันต์ก็นนกจริง แต่เป็นอาจารย์ที่หลังของพ่อแม่ของกระผมของเก่าได้สั่งสอนทีหลังมารดาลูกเล่าให้กินอันไหนคาปากอยู่ก็ได้คลายให้หนว้นมก็สงง่งนมหิว้ข้าวก็ส่งข้าว เวลามีผู้ช่วยเป็นคือเลี้ยงนางนมให้ก็ยังก็ยังตัวถ้ามีผัวมีเดียวลูกน้อยนะมือหนึ่งก็โกกพลิกมือหนึ่งก็มองดูลูกมือหนึ่งก็อุ้มลูกแล้วลรพัดวัดเวียร์พอคาดเป็นก็มือหนึ่งทํางานมือหนึ่งก็ตาหนึ่งก็ดูลูกเวลาวิ่งไป เล่นตามถนนหนทางเป็นก็ไม่รู้ว่ารถว่าเลือมาโครกระ บ, บืออะไรจะเยียบก็เป็นทุกข์หใจเวลาลกูกร้องไห้ก็จิตใจก็ไม่สบายลูกปัวก็ต้องผัวด้วยทุกสารพัดจนใหญ่โตเขาทานมาจๆๆๆังงส่วนเพียงนี้ส่วนเวลาเป็นผู้ คิดหามาในทางอื่นฉะนั้นเราจะพุ่มมุตรของเราจะรักษาพุ่มบุดภรรยาของเราและครอบครัวของเราหัวคิดใหญ่โตของฐานอยู่กับปิดาส่วนมารดานั้นยากอยู่กับบ้านกตะเรือนถึงอย่างนั้นองค์ท่านก็มีพระคุณเหมือกันเก้าข้าพผมเลือเขียนอย่างนั้นแหละถ้าพูดประมากก้าข้ผมก็ไม่อยากพูดมากเพราะน้ำตามันไหลแล้วนะ พระบรมศาสดาก็กล่อมหน้าลงเออเออเธอเห็นอย่างนั้นดีแล้วพิสูจน์ทั้งหลายจงเอาไปส่วนนี้เป็นอย่างอย่างเน้อผู้ไม่อกตัญญูก็จะเวทีผู้มีกตัญญูก็เะเวทีท่านทั้งหลายอยฟังไหมอยากฟังพระเจ้าค่ะ เราเกิดมาในวกใดชาติใดไม่ได้ทิ้งวิรามนาไว้เลยถ้าเป็นมนุษย์จะทุกตนสักเพียงไหนก็ไม่ได้ทิ้งชาติเป็นสรัพย์ทุติยภานเป็นลกสาริกาเป็นนักแแกก็ได้หาดวงข้าวที่ชาวนาที่ทำร่วงหล่นมาให้บรรนาวิดากินถ้าเป็นลิงก็ได้ไปหาลูกไม้ในป่ามาให้วิดารนากิน ชาติเป็นโคเป็นกระบูื้องเห็นหญ้าที่ไหนงามๆก็กินวนกินเวียนอยู่ที่นั่นวิดามนาพอไปถึงนี่ก็ให้อนัดสัญญาณไปกินแล้ก็ไปหาที่อืน่นเลยเกิดเป็นมนุษย์ชาติไหนๆก็ไม่ทิ้งเกิดเป็นทุติยที่ชันชาติไหนๆก็ไม่ทิ้งตามเท่าข้าวโซ่ภายในพานจนชาติเป็นพระสมาน พ, พระพุทธเจ้าในประเทศเออเวดาในประเทศเอเวดาจนถึงโบราณ เทศอภามันดาก็ารียสำเร็จพระสดาบันบุกล้านล้นใเงื่อนเบือดมาละหายพอห้แม่แน่ในภาคอันดเดชหลายในภาคอันดเดช บ, บ, บุกเลยเบียรเร็นบักเรียนดูอล้ไรมอใอห้แม่กินนำแน่ฟงออกมาเลยพูดอย่างนะี้ะออกไหมไม่ออกในกรุงเทพไม่ออกเนอะ แม่บอกพวกคนเดียวมั้งหลวงเทพไม่ใช่นะที่นี่เองแต่คนนี้อยู่อะไรนะคนสำคัญหลวกพุทธเทพฟังไม่ออกได้ตังมาก็ให้เวลาบารดาช่ยด้วยท่านเป็นผู้มีพระคุณมากอย่าไปหาสนุกแก่แก่ตัวคนเดียวมันบาป พ่อแม่แก่เฒ่าเราญ ก, การจงเลี้ยงท่านอย่าให้อดละท้อใจด้วยพระชดด้วยพระชะมนม์ตนมีมีพระเดชได้ปกเกลเยดเกศามาจนผู้อุอทธรทอดเท่าเป็นเท่าไรหมายจะได้พึ่งอาทิดาดวงถ้าเราดีมีจิตอุปถมปัมภ์ผสลน้ำเลือเท่ากระปูเข้าหลวงจะปรากฏยศยิ่งถึงขัง้ววงศ์จนกว่าจะล่วงลุกถึงซึ่งพระลิทธิรัชการที่สมีย ลูกผู้ชายคนหนึ่งมาเลี้ยงชายแก่คนหนึ่งมีลูกผู้ชายหลายมากแล้วมาเลี้ยงเิดาวนาเิดาเขเลยกล่าวํทาไปคาฐาด่าลูกชายว่าเรี่ยงบุตรศิษยนี่น้อยนะไม่แทนมือพ่อได้เหมือนใจหมายคุณแม่เท้าพ่อนี้มีมากกว่าและคขัตกายยังย่องจ้องกดดันจะเดินทางไปทางไหนไปสถานเพื่อพบความสล า, ายจะวายหุน ไม่เท่าปัดวัดเตียงไปตามบุคงมีคุณกว่าลูกที่เยละเลยเช่นเขาพูดเจรจากันเกลื่อนว่าเหมือนลกูกเช่นลูกขี้กาปูเจ้าข้าเอ๋ยลงอมร้วยสิ้นห้พ่อยแม่ใส่จักบาดโหร่ะ เ, เป็นตายกวนหรอกก็ถือกวนหรอกครับจุม่มแม่ตายตอนศ .36 ค่อตายตามผมเยืนหายหลายปีเออเป็นายเมื่อก่อนถ้าปวดบุธิขาท่านั้นหรอครับจับบาดใช่อย่างกบนอได้ได้ใช่บาดได้เห็นบุญหายจะถวายปาดใจเลยบวดหน้าอะแน่ละบอแน่ละบอหลวงู่นอนสักรันกันเขาเขาในเบิร์ใหญ่ น้อนมันกับมะลัดอกขอมมันนอนด้วยานตั่เขาบขาไม่ยาักเขาเบินยามากจนถกไปสิับแลบวใบหนึ่งใบสองหมดแล้วครับโห้ย่าทยว่าเขาไปกินเขากันตอนนี้ของยากันเลมันเที่ยงบ่ครับตอนนี้เี้าจักรตุ้ไม่ยังฟานี้เบิอยู่ถ้าไม่ได้กินเ้าเอาเอาเอาเอาเอาตังเราตังนี้ที่รู้อยู่แถวนี้นะจ๊ะ ไม่ไม่เป็นไรฮะก็ให้ท่านเลยพักผ่อนตั้งใหม่แล้วรอถ้ากล่าท่านเสร็จแล้ว ก, กจะจะให้ท่านเลยพักผ่อนก่อนที่จะไปเดินทาง เมื làm, rando, ่อวานหูค uhm. <c ười> ิดถ <c ười> <ta> ึงลุงปูแรงไปหน่อยมีหัวเมตตามาหาคิดถึงนมื่อวานก็คิดถึงอยอะแล้วมันจริงได้บันดาลมาแล้่วานนี่คือคิดถึงคุยกับหมอเชิดเดี๋ยวพูดถึงลุปูเ้ยลุงปูนคคือในช่วงนี้คุณตาหรอ อตารในช่วงนี้ก็จะลงเลือกต่างอธิการบดีค่ะือในช่วงนี้ก็จะลงเลือกต่างอธิการบดีที่ทางตรง อ, อธิการบดีมาถึงผู้นำในมหาลัยขันแก่นนะคะอันนี้ก็รววูทราบข่าวว่าทราบข่าวเฉยๆนะคะที่ต้องปล่อยหลงปู่โคดข่าวก่อนว่านะคะว่าให้เลือกเลือกด้วยเลือกคุณหมอวิรัตอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อันนี้หนูก็ไม่ทราบคุณหมอวิรัตจะจะลงอธิการหรือเปล่าไม่ทราบว่าคุณหมอวิรัตเนี่ยวิรัตนะฮะจะจะลงสมัครอธิการหรือเปล่านะคะอันนี้ใจหนูใจหนูหรือไปดูเสียงเสียงแล้วเนี่ยหนูก็ไม่อยากให้คุณหมอวิรัตลงนะฮะเพราะเกจะขาดทุนเพราะว่าหนึ่งลงไปอะ่ะก็คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เละะือกอ่ะแล้วแกจะเสียใจแบบเปล่านะคะแกจะเสียใจ แล้วนักอย่างนี้เราล้วคอยเนือกว่าคนไหนก็ตามถือเพรามีจริงมันก็หาผู้ที่มือสอาดมามือสกรปรกมาดี ใ, ใครก็ช่างถูกเพาะมือสอาดรู้จักน่ามือสอาดเข้าใจเข้าแล้วมือสกปรกมือเวลาก็จะได้ ไม่ว่าอะไรนละวคือไปฟังเสียงดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าทางอาจารย์ต่างเนี่ยเขาก็คงก็คือพูดว่าไนคือใจหนูไม่อยากให้แกลงอะ่ะลงแล้วเดี๋ยวแกไม่ได้แล้วแกจะเสียใจมากอะ่ะมันคงจะเป็นงนั้นตละดาปนะเพราะว่าบางทีไม่ใช่ว่าอาจารย์ใอยากเป็นก็นเป็นได้นะคะง ที่ดวงเข้ามาอาจจะมีมากา็ได้แล้วก็เป็นลัคนิพัทธ์ใจต่างๆที่ประกอบอีกแล้วก็เมตตาหลวงปู่เมตาตาที่นี่คุณหมอที่รานเลยนะคะ <S <S และ้วก็คือหนูได้ข่าวมาแต่หนูไม่กล้าโพูดนะคะคือหนูไม่ได้หวัง ก, ก็จะเป็นก็ดีนะคะแต่หนูคิดว่ามันไม่คงไรอที่เราจเสียเสียในทีนี้มไม่ถึงว่า <S 1> <S 1> ถ้าไม่ได้ก็จะเสียใ จ, จมากเะยแกคงจะไม่จะเป็หนหรอกแกคงจะไม่สนับหรอก เพรารู้ได้ข่าวมาแต่ว่ารู้ถามแกแกบอกกันไม่ได้ลงเอาข่าวมาจากไหนแต่ข่าวที่เขาบอกว่ามันเขายืนยันได้รองคุหมอพี่รัตจะลงเพราะว่าแต่ตัวคนที่จะลงก็ไม่ได้บอกว่าลงแต่คนอื่นเขา ก, ก็ก็บอกว่าคุณหมอเนี่จะลงที่นี่ผู้จะลงมีมากไห้ทุกวันผู้จะลงนี่ผู้จะลงนี่นะคะคก็มีหมอสมพรที่เป็นอธิการคนปฏนนิปันนี้นะแล้วหมอรัตนพจนคนที่มาการาบลวงปู่นี่นะคะแล้วก็ ทราว่าอาจารย์นนเมือสิลป์จะคิดว่าอาจจะลงคนเนี้คนที่มาเมื่อกี้อาจารนนเมืองิลป์อาจจะลงนะคะแต่ว่าไม่รู้จะลงหรือเปล่าแต่แกก็เคยลงแต่แกก็ไม่ได้นะฮะแ้วอาจารย์บุญเลยคณะเกษตรก็เคยลอันนี้คนที่จะได้เนี่ยตามเสียงอยู่แล้วตามความเป็นจริงในมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วคนที่จะได้จริงๆรเนี่ยมันจะต้องเป็นคนคณะแพทย์ได้เพราะปริมาณคนเลือกมันอยู่คณะแพทย์หมดบุคลากรต่างๆเสียงอยู่คณะแพทย์หมดแล้วกําลังทรัพย์ของคนที่จะลงอธิการมันต้องใช้กําลังทัพย์ในการ แจงใบปลิวแจกอะไรๆพวกเนี้นะเพื่อแนะนําตัวให้ชาวบ้านรู้จักกําลังซับ ก, กําลังซับนะะเพราะฉะนั้นพวกหมอทั้งหลายเราจะมีกําลังซับมากกว่าอาจารย์คณะอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงมันก็มีเสียงที่มานั่นหนึ่งก็คือมีอยู่สองคนคืออธิการคนปัจจุบันกับหมอไม่กระเทงแล้วหมอหมอพิสิทธิ์มอวันแชก็จะลงตันนี้ลงไปงเต็มแแย่ง เ, เ, เสียงกันความหมถึง ข, งขา่าวชาติยากานนรีน่ะน้องปอืมเพราะว่า เราก็ไม่อยากให้สาวใท่ตาก่ีนะใช่ไหมคะแล้วอย่างเงี้ยมันทาไปทามามันก็จะตีกันมาสาวขอนคุณไปทิราไปรูใส่เข้ามาเอาใส่เข้ามาเปิดเผยเขารูใส่เรามาเขาเอาใส่เราเปิดเผยเงี้ยสาวเละเทอะท่ไม่เด็ีไม่ดีออย่างเงยอย่างวปู่อย่างอาจารย์พิรันเนี่ยมาปฏิบัติท่าเนี่ยดีแล้วนะคะได้ได้บุญได้กุศลมากกว่าจะเป็นอักิการนักพิการเนี่ยอยู่ไม่สูงคุณคอยู่ไม่สูง แล้วงรไปทังเสียงเสียงแล้วเนี่ยฝ่ายอาจารย์ในคณะแพทย์ ก, ก็ไม่มีใครเลือกแกแต่เลือ ก, กเไเลือกหลวงพ่ตาลปูนเลือกตายเลกันอืมตะงสารแกจะคงไม่กล้าแล้วแกคงไม่กล้าแล้ว คือถ้าแกเป็นกด็ดีถ้าแกเป็นกด็ดีแต่ว่าถ้าแกนั่นจะเกิดม้กลัวแกเสียใจอะ่ะเรื่องเรื่องพักกระตรองร่วมกันเรื่องพักกรคครองร่ามกันทุกสิ่งทุกอย่างรวมกั น, กน ถ้าพักไม่มีก็ลำบากถ้าพักมีมันก็ทุกวันมันเล่นเงินกันมันก็ลำบากเล่เงินกันลบากใครก็ไม่ได้หรอเล่นเงินกันใครรวยก็ได้เท่านัา้นเล่นเงินเ้าเากัน แต่ว่าถ้าม่เขาไม่ชอบเขาดรอบเอาเงินเฉยๆแล้เขาคงไม่เอาอยู la, ่แล้วเขาคดเขาคดลอเอาเงินเฉยมันเ็ท้องใหญ่ของมันี้องใหญ่สมาร์ก็ไม่สมาร์ตเพราะมันไม่ใช่ธุระของเราเป็นธุระของชาวบ้านไม่ใช่ธุระของเราเราก็ฟังเออไปเออมาเฉยๆรอบๆเออไปเออัาเชื่อู้เทนนี่เหมือนกัน แ่ฮเช่นจะให้เราแผ่เมตตาอย่างนี้เราก็แผ่เป็นส่วนรวมใลยใจโลคธาตุ เ, เลยโยนิสี 4, ทุกคนหน้าจงเป็นสุขในพุทธธรรมสูงอยู่ตุกนาเถิดเราใ จ, จาอย่างนั้นแล้วเผ่เมตตาสำหรับเรามันก็ไม่สำคัญเพราะมันไม่ใช่อาที่ของเราเไปเลยนะ เป็นหน้าที่ของชาวโลกถ้าเราไปจะประเล็นงานแล้วนันมันก็ไม่ถูกกับศีลของเราอืมถูกไหมถูกค่ะ <c oughs> เม็เข้าอันเดียวพระบรมศ า, า, าสดาผสมสา ร, รเสื่อชื่อนหนที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบเต็มเป็นฝ้าแผ่นดินพระพุทธศาสานาผสมสารเสื่อเพราะมันจะนำไครมาให้ เป็นทุกข์นไ้ม่ป้านี่ตน้องนาหนี้น้าปอานี่สาหาอย่างหนึง่งน้าป้านี่ไปที่ไหนไปที่ที่หอพระ อ, อ, อีเอ่อไป อ, อือ ศาลานะคราับทุตระลาไปถวายเข้มามัตุปายาดในเวลานั้นบาทพระโบรโมสารดาหายพระโบรโมศารนาก็ทําท่าทาเลือนโลบาททางนั่นก็รู้จักแล้วนะทุตระลาเออนี่ฉันถวายทางถาดพระเจ้าข้าพระโบรโมศารนาก็เลยรับทางถาดนะครับ อาไปรอยเนยแม่น้ําเมรัชราขาดเรื่องไหลขึ้นเหนือจมลงไปถกหัวกาลนาโ อ, อ้วันนี้ก็มีผูมาตัดองค์หนึ่งตัดพระพุทธเจ้าวันนี้ก็มีอีกองคหนึ่งวนันแต่หาแต่หงอะไรหลายพันปีวกว่าพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งจะมาหลายพันปี เขาบอกว่าวานนี see, this, man, ้ก็เขานอนเขานอนดีก็การาน้าตาในวัดศีรษะวัดภาวนาวัดวัดจิตวัดใจบุคคลให้สูงขึ้นพระพุทธศาสนาสามารถทําผิดทําใจบุคคลให้สูงขึ้นด้วยความประพฤติถ้าตรงกันข้ามแล้วกันสามารถทําให้ต่ําลง พระพุทธศาสนาเป็นคำสอนสอนทั่วทางใจโลกาอยู่ในตัวจึงทรงพนามว่าสัทพาเทวมนุษานั้นเป็นผู้สอนของเทวนาวมนุษย์ทั้งหลายสอนทั้งคนชั้นต่ำชั้นสูงชั้นกลางได้ทั้งนั้นคําสอนใดๆในตจโลกะธาจะเสมเหมือนคำสอนพระพุทธศาสนาไม่ไม่หรอกการอาไปใช่ ขูกงนั้นไม่เลือกขั้นวันนะคำสอนอรุทธัตสนาคคำสอนอื่นก็มีดา่าตื่นทมเถแต่ไม่ละเอียดละออกเหมือนคำสอนพรุทธศาสนาคคำสอนพรุทธศาสถานเป็นคำสอนการบ้านการเมืองการเทวุวเทวดาการอินพรมตลอด ถึงการพระโสดาวันสักขาคาเมนาคามมอรหรันสอนทั้งคนชั้นต่ำชั้นสูงไปหมดย่ อ, อ ก, การบ้านการเมือ ง, งาการมนุษย์การมรดกในป่าขบวทพระพุทธศาสนาไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีที่โว่คำไหนที่พระพุทธศาสนาไม่สอนมะไรเลย ทำสอนพ่อพุทธศาสนาก็ย่นลงสั้นก็มีสามให้ละชั่วทำดีให้ทำจิตให้ละเลงในการทำดีแต่ความดีความชัว่วจะบัญญัติยาถ้าให้โจรให้มารมันบัญญัติความดีมันก็บอกว่าสุราเมีระยะกินเป็นระยะระยะมันไม่เป็นไรหรอกลองกระปดไปอย่างนั้นมันไม่มนั่นเหมือนนักปาชญ์ใ มักบาปนักบาปบรรญัตอันไหนหรืออันนั้นก็ต้องดีจริงมันยัดว่าบาปก็เป็นบาปจริงมันยัดว่าบุญก็เป็นบุญจริงไม่เหมือนคนคนโง่เ้องเนคนพลาดนักบาปเป็นคนไม่เหตุไม่ผลธรรมันเทตาเป็นผู้รู้จักนี้รู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์อัชันเทตาเป็นผู้รู้จักผลรู้จักพอสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกคนผลแห่งเหตุอันนี้ ตัณยตารู้จับตนว่าละว่ารสชาตตะระกูลเราจับสมบัติบริวารในความรู้คุณทําเบียดท่านี้ไปไนแล้วคนรภิษตัตนี้สมควรแก่การที่เป็นอย่อยางไรอ่ะพอททาพเจานีอ่าอโททโมทโอกาบ พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กาบลปูลบปกโอนถึงทธรรมพระสงฆ์คนละอโททัโมทัโ ค, ค, โททโคก็กลุดนไปแล้ มีผู้กราบ ผ, าผู้ไหว้เนาะปู่แม่กักตุนไว้เลยหรือ <Yeah. S 1> พวกพทธระธานพระสงฆ์เลย